บทนี้จกแสแดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยะแห่งมหาสติปัฏฐานในสูตรข้อที่ทรงแสดงว่าเพื่อก้าวล่วงความโศกความรำไรรำพันและเพื่อการอัสดงดับไปแห่งความทุกข์ สำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นมีนัยะตัวอย่างบุคคลที่พึงศึกษาสืบต่อไปว่าความโศกความร่ำไรรำพันเป็นต้นที่เรียกว่าเป็นปะกิณกะทุกนั้นโดยพื้นฐานในชีวิตประจำวันแล้ว ก็เกิดขึ้นมาจากความยึดถือของบุคคลนั้นๆด้วยอํานาจของการมุปาทานคือยึดถือด้วยอํานาจความใคร่ความพอใจรักใคร่ยินดีปรารถนาต้องการในสิ่งนั้นจะมีความหวงความค่วงอยู่ในสิ่งที่ตนปักใจผูกใจเอาไว้บางครั้งก็เป็นความยึดมั่นด้วยอํานาจของความคิดเห็น ที่ปักใจลงไปว่าต้องเป็นเช่นนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นเมื่อสิ่งที่บุคคลไปปักใจไว้ว่ า, วาจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นตามที่ตนต้องการให้เป็นหรืออยากจะให้เป็นความโศกความรํำไรราพันต่างๆก็บังเกิดขึ้นบางครั้งก็เกิดขึ้น มาจากสิ่งที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานคือถือมั่นว่าตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีใครยอมรับฐานะที่ตนคิดว่าตนเป็นก็จะเกิดความเสียใจความไม่พอใจขึ้นมาเรอจะยึดถือด้วยอำนาจของพระวัดปฏิบัติที่ถูกอบรมบ่มนิสัยมา ม่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นผิดเป็นต้นซึ่งว่ากันตามหลักของความเป็นจริงแล้วบางครั้งเป็นเพียงอุบายวิธีที่จะดำเนินไปสู่การประพฤติปฏิบัติอันเป็นเป้าหมายหลักคนเราอาจจะเดินมาคนละทางแต่มีเป้าหมายอย่างเดียวกันจุดเริ่มต้นของการเดินทางก็แยกกัน แต่จะมีจุดร่วมเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่ก้าวไปสู่ผลของศีลสมาธิปัญญานั้นแม้จะทรงแสดงไว้โดยอนเนกกระปร ย, ยก็ตามแต่บนเส้นทางที่บุคคลจะดำเนินไปนั้น mm. ก็อยู่ที่ขอบข่ายของหลักที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสุร โดยมีจุดนัดพบมีจุดหมายปลายทางแห่งเดียวกันนั่นคือความสงบความสว่างทางด้านจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติแต่ถ้าใครไปยึดถือถึงรูปแบบในการประพฤติปฏิบัติแล้วคนอื่นมาเห็นตามคล้อยตามหรือขัดแยงรูปแบบที่ตนกำหนดขึ้นก็เกิดความทุกข์ความโทมนัดความเสียใจความโศก ค, ความรำไรนำพันเป็นต้น ในชั้นนี้ถ้าหากว่าบุคคลได้ศึกษาและพิจารณาไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้โดยวิจิตพิสดารในมหาสติปัฏฐานาสูตรแล้วก็จะมีปัญญาปรากฏเป็นหลักในการกำหนดพินิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยเชื่อมโยงเหตุผลเชื่อมโยงความเข้าใจและสามารถที่จะสมานประโยชน์กันได้หาความเข้าใจกันได้ เวลาฝ่ายที่ตนปรารถนาจะให้เป็นไม่เป็นดังที่ตนต้องการจะให้เป็นก็ปรับใจยอมรับถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นว่าโดยแท้ที่จริงแล้วแม่ตัวของเราเองก็ไม่เป็นตัวของเราจะป่วยกล่าวไปใยทั้งทรัพสมบัติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตลอดซึ่งจริตงต่างๆนอกกายของเราสิ่งทั้งๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ตกอยู่ในเงื่อนไข ของใจหลักษ์มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยให้เปลี่ยนแปลงไปแก่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแม้ความคิดความอ่านของเราและตัวของเราเองเมื่อเหตุปัจจัยให้เปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยก็สามารถที่จะปล่อยที่จะวางในบางโอกาสในในในบางโอกาสในบางกรณีได้นี่คือชั้นของการพินิพิจารณาเท่านั้น ตันนี้เพิ่งเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติที่ทรงเน้นเอาไว้นั้นก็คือการเสริมสร้างสติสัมปชัญญะโดยอาศัยความเพียรพยายามเป็นหลักกรรมกับสนับสนุนสามารถที่จะเพ่งพินิษพิจารณาในจุดใดจุดหนึ่งโดยเกิดความรู้กระจายไปจากจุดนั้นครอบงำสิ่งต่างๆไว้ทั้งสิ้นได้ เพราะว่าการตามหลักของความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะสิ่งอะไรก็ตามในโลกนี้ก็ตกอยู่ในเงื่อนไขที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรนั่นเองการสอนให้เรียนให้พินิจพิจารณาเป็นการเรียนจากจุดย่อยๆเพื่อหาความเข้าใจในจุดที่กระจายออกไปเช่นเดียวกับการมองเห็นว่าเรารักความสุขไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใด คนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉชนั้นความเข้าใจในตอนต้นจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐานแล้วเทียบเคียงความเข้าใจเหล่านั้นออกไปกระจายไปหาคนอื่นสัตว์อื่นในที่สุดก็หาข้อสรุปได้เช่นกับที่กล่าวมาแล้วเป็นเหตุก่อให้เกิดการสํารวมระวังในชีวิตสัตว์ทั้งหลาย จนถึงสมาทานศีลจเจริญเมตตาภาวนาเพื่อให้เกิดผลตามที่ตนต้องการและตามที่คนอื่นต้องการการมองในรูปของหมาสติปัฏฐานในสูตรก็มองลักษณะนั้นโดยสอนให้เข้าใจในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้เสียก่อนแล้วบุคคลก็จะมองเห็นเอกภาพคือความเป็นอันเดียวกันของสิ่งทั้งหลายในจุดที่กระจายออกไปตลอดถึงโลกทั้งมว ในข้อนี้พึงสังเกตว่าจันร์สินธรรมจัญญานั้นพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงคาว่าปานีนังคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเท่านั้นหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าสัตตาหรือสัพเพสัตตาแือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่ไปกำหนดเป็นชาติชั้นวั น, นะเผ่าพันธุ์แต่ประการใดเพราะอะไรเพราะาโดยพื้นฐานทางสินธรรมจันญาแล้วคนเราก็รักสุขเลียดชังความทุกข์เช่นเดียวกัน โดยชั้นของธรรมะที่แท้จริงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลา ย, าลายก็ตกอยู่ในเงื่อนไขของปัจจัยลักษ์เสมอกันหมดไม่มียกเว้นการมองเห็นให้ประจักษ์ชัดในจุดใดก็าตามที่ทรงแสดงไว้จึงสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้บุคคลผู้นั้นอาจบรรเทาความโสกความร่ำไรรำพัน ความทุกข์ความเสียใจความคับแคลนใจต่างๆที่บังเกิดขึ้นได้ข้อนี้พระโบราณอาจารย์ได้ยกตัวอย่างนิทานบุคคลในสมัยโบราณมาเป็นหลักในการพินิษพิจารณาได้ปางองค์จะเห็นได้ว่าดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าท่านเจอข่มทุกเวทนาเหล่านั้นได้แต่ท่านก็ทาได้ท่านเล่าว่าภิกษุห0สบรูป ไปบําเพ็ญเพียรเยจเริญสมณธรรมกันอยู่ในป่าตกลงกติกานัดหมายกันว่าเมื่อถึงเวลาบําเพ็ญเพียรจะไม่พูดกันจะไม่มีใครส่งเสียงปรากฏว่าท่านไปอยู่ในป่าลึกเสื้อย่องมกากัดพระจะต่างหลายองค์ท่าเหล่านั้นต้องการรักษากติกาคือไม่ส่งเสียงก็ไม่ส่งเสียง รุ่ขึ้นเห็นเพื่อนหายไปสอบถามได้ความว่าถูกเสือกัดไปก็ต้องลงตั้งกติกาใหม่ว่าถ้ามีอันตรายต้องส่งเสียงต้องบอกกล่าวให้มาช่วยกันตกกลางคืนเสือก็มากัดพระอีกแต่ว่าเมื่อไปถึงก็ทําอะไรไม่ได้เพื่อนๆนที่อยู่ใกล้ๆ ก, ก็บอกว่าให้มณสิการทึ้งกรรมฐานกําหนดเวทนาที่เกิดขึ้น จากเสือกัดนั่นเองเสือเคียวเสือกินนั่นให้เป็นอารมณ์แล้วพิจารณาตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานท่านรูปนั้นก็ข่มทุกขเวทนานั่นโดยการไม่ใส่ใจถึงทุกขเวทนาแต่มาเพ่งพิจารณาเฉพาะที่เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานคือไม่ใส่ใจถึงเสือแต่มาใส่ใจถึงเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้น พิจารณาไปตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้สามารถบรรลุมรรคผลได้โดยลำดับก่อนจะตายไปจริงๆท่านก็บรรลุอรหัตเป็นพระหันไปนี่โดยอาศัยหลักการพินิษ พ, พิจารณาตามแนวของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพืท่านเล่าถึงพระเทระอีกรูปหนึ่งเป็นเศรษฐีสละทรัพย์ถึงสี่สิบโกศ ออกบวชเป็นพระภิกษุบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในปา่าน้องสะพายกลัวว่าท่านจะศึกมาเอาทรัพย์สมบัติอีกก็ここจ้างคนไปฆ่าท่านเมื่อคนเหล่านั้นมาท่านถามว่าอุบาสกต้องการทําอะไรพคนนั้นก็บอกว่ามีคนจ้างให้มาฆ่าพระคุณเจ้าท่านบอกว่าขอเวลาสักคืนค่อยฆ่าพรุ่งนี้ให้ท่านได้บาเพ็ญเพยียรสมณธรรมต่อไป ผู้จนเหล่านั้นก็ไม่ยอมบอกว่าใครจะประกันได้ว่าท่านจะไม่หนีท่านบอกว่าท่านจะประกันตัวเองแล้วก็หยิบหินมาทุบขาให้หักทุบ ก, กระดูกแข้งแตกก็เดินไม่ได้แล้วนั่งเจริญกรรมฐานอยู่ในที่นั้นโดยกําหนดเวทนานุปัสนาสติปฐานเช่นเดียวกันตลอดทั้งคืนท่านคมความเจ็บปวดความใส่ใจในเจ็บปวดได้ แต่พิจารณาให้เห็นถึงความจริงแห่งเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆวพราะเวทนาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาจากเขตจากปัจจัยทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเวทนาที่ปรากฏบางคราวเป็นสุขบางคราวเป็นทุกข์บางคราวกลางๆงเมื่อคราวสุขก็ไม่ทุกข์เมื่อคราวทุกข์ก็ไม่สุขเมื่อคราวรากลางๆก็ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขดังนั้น เวทนาจึงเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพิจารณาไปตามหลักของพระัยหลักและในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระญราปุคคลระดับสูงสุดคืออรหันต์นี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นั้น แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของขณะเดียวที่บุคคลสามารถฉกฉวยให้ได้ในขณะนั้นซึ่งอาจจะเป็นเสี้ยวของนาทีอาจจะเป็นเวลานาทีเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็าการจะบรรลุผลไม่ว่าในชั้นของความรู้ความเข้าใจในผลของกา ร, รปฏิบัติระดับต่างๆตลอดถึงระดับที่เป็นมากผลที่จริงก็เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างในกรณีที่ได้แสดงเรื่องของกรรมเอาไว้ก็แม้คติพบต่างๆที่บุคคลจะไปอุบัติบังเกิดในปรโลกคือโลกหน้าบุคคลสามารถควบคุมจิตใจให้เปลี่ยนแปลงภพชาติได้ในก่อนที่จะดับจิตโดยสร้างอาสันกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายที่เป็นกุศลขึ้นจิตใจของแพ้วก็บังเกิดในสุคติได้ในชาติอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ทุกเบทธนาที่เกิดขึ้นแก่พระเถระทั้งสองด้วยการถูกเสือกัดก็ดีด้วยการที่ท่านทุบหน้าแข้งของท่านเพื่อเป็นหลักประกันว่าท่านจะไม่หนีก็ดีนั้นถ้าหากว่าคนไม่มีหลักคือสติสามปัญญาอยู่ภายในใจไม่มีความเพียรที่จะบำบัดขจัดบรรดาอากุศลทุจริตต่างๆให้ออกไปจากจิตใจแล้วก็จะมีแต่โศกกับปริเทว คือความโศกความคร่ำควรวญรำไรรำพันความเสียใจโดยอาศัยทุกเวทนาเหล่านั้นในแง่ของมหาสติปัฏฐานที่ทรงสอนจึงเป็นการสอนสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในชีวิตของบุคคลนั่นเองแต่ตามปกติแล้วผู้ไม่ใช่ปัญญาพิจารณาไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระอริยะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิด จิตใจก็จะฟูขึ้นจะฟุบลงด้วยอานาจของปัจจัยภายนอกเช่นเวลาได้ส่วนแห่งสุขโสมนัสก็ฟูขึ้นมีความเพลิดเพลินยินดีมีความระรึงหลงไปด้วยประการต่างๆแต่บางคราวก็ฟุบลงเมื่อคราวประสบกับความพิบัติความเปลี่ยนแปลงไปด้วยประการต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาสิ่งนั้นเอง สิ่งที่เป็นเหตุฟูขึ้นฟุบลงของจิตใจแห่งบุคคลทั้งหลายนั่นเองเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการสั่งสอนในการศึกษาในการพิิษพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ว่าคนทั้งหลายเห็นอย่างที่มันเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรทําเป็นอย่างไรก็เห็นกันอยู่อย่างนั้น โดยไม่ได้คิดมุ่งแสวงหาประโยชน์ที่แท้จริงจากสิ่งเหล่านั้นในชั้นต่างๆพระพุทธเจ้าก็นำเอากายเวทนานเหล่านั้นมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้แต่มองทะลุเข้าไปถึงแก่นแท้ของแต่ละอย่างจนบุคคลสามารถแสวงหาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆได้ในชั้นของการปรับใจยอมรับความเป็นจริงในชั้นของการปล่อยวางในการในชั้นของการละระงับดับปัญหา และในชั้นของการตัดขาดซึ่งความยืดความติดในสิ่งนั้นั้นตามสมควรเก็บพื้นฐานแห่งการปฏิบัติของบุคคลแต่ละคนในด้านของความสศกที่เกิดขึ้นแก่สามัญชนทั่วไปท่านยกตัวอย่างถึงเท้าสากัดเทวราชและเทพประปุติตันหนึ่งเท้าสากัดเทวราชนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าจัดสรุไม่นานนักท่านก็ถึงคราวที่จะหมดบุญคือต้องจุติจากสวรรค์การหมดบุญของเทวดานั้นท่านแสดงว่าอายุขเยณะคือหมดอายุบุญยักขเยณะหมดบุญอารัขเยณะหมดอาหารแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาสิ่งตั้งสีประการนี้คือหมดบุญหมดอายุหมดอาหารและเกิดความโกรธ จะแสดงให้เห็นว่าเทวดาตนนั้นจรนจจุติโดยการมีเหงื่อออกมาตามปกติแล้วเทวดาจะไม่มีเหงื่อดอกไม้ทิพจจะเศร้าหมองซึ่งตามปกติแล้วจะเบ่งบานอยู่เสมอเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับมรณะสัญญาคือเครื่องกาหนดหมายว่าเราจะต้องตายใกล้ๆตายกันแล้วปรากฏให้เห็น ท้าสกเทวราชเองท่านก็ติดในความสุขในสวรรค์วิมานของท่านเมื่อท่านเห็นว่าจะต้องตายจะต้องจุติไปก็หวาดกลัวต่อมรณะภัยเช่นนั้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามปัญหาโดยอเนกกระปริยยยในที่สุดท่านสามารถทายถอนทุกโทมนัตความสุขความร่ไรความทุกข์ความโทมนัตออกได้ตอนที่ทรงแสดงถึงอุเบกขา อุเบขาปรากฏในอะไรในมหาสติปัฏฐานก็คืออุเบขาในสัมโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมเครื่องาสาสรุแต่เป็นการแสดงในชั้นที่ทำใจเป็นกลางยามประสบอารมณ์ทั้งที่พอใจและไม่พอใจคือไม่ให้จิตตกไปสู่อำนาจของอคติข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะไม่ชอบกันเพราะกลัวเพราะหลง หรือไม่ให้ตกไปในด้านของความสกความร่ำไรราพันธ์ต่างๆถึงตามปกติแล้วใจคนก็จะแกว่งไปในอำนาจอารมณ์เหล่านั้นดังกล่าวแต่ถ้าทำใจเป็นอุเบกขาได้โดยพิจารณาจังลงในหลักของกรรมมัสกตาญาณคือความรู้ความเห็นถึงความจริงในกฎแห่งกรรมอย่างที่สตดกันในอภินันะปัจเจเวคณะนั่นเอง ว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นและจะพิจารณาเลยไปว่ากรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นต้นเมื่อเท้าเธอพิจารณาตามพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงท่านก็จุติจริงๆ แต่ยุติเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าและอุบัติวังเกิดเฉพาะพระภักพระพุทธเจ้าเป็นการทิ้งร่างเก่าแล้วก็เกิดร่างใหม่ขึ้นมาในทันทีก็กลายเป็นท้าสกัดหนุ่มขึ้นมาแป็นที่จะกลายเป็นท้าสกัดแก่นี่แสดงให้เห็นทังหลักธรรมที่ทรงแสดงว่าสามารถขจัดความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสได้จริงๆ แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแห่งธรรมะดังกล่าวเมื่อขนาดของยาที่หมอก็ให้แก่คนปว่วยมารับประทานวันละสามเม็ดคราวละสามเม็ดหลังสามเวลาหลังอาหารด้วยก่อนอาหารอะไรเนี้แต่ถ้าเกิดไปรับประทานครึ่งเม็ดเมื่อผลมันก็มีขนาดครึ่งเม็ดไม่ใช่ไม่มีผลเลยแต่เราจะเอาผลให้เท่ากับสามเม็ดก็เป็นไปไม่ได้ การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือมีลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทางหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุถ้าเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ถ้าเหตุบกพร่องจะให้ผลสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ผลก็ต้องบกพร่องตามไปด้วยแต่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันในส่วนเหตุแต่บุคคลปฏิบัติเหตุนั้นสมบูรณ์แล้วรับรองผลเอาไว้ได้ เราจะต้องสมบูรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นการศึกษาการพิจารณาและการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของการสร้างเหตุส่วนผลจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องดูที่เหตุไปเล็งผลเลิศไม่ได้การปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นเรื่องของการผเผชิญหน้าความจริงไม่ใช่เรื่องของการดนบันดาลหรือการอ้อนวอนการวงสวงการขอร้อน ขอร้อ ง, ต, งต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีเหตุไม่มีผลพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุผลเหตุกับผลจะต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้เรื่อยไปเป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักการตามธรรมชาติธรรมดาและมีเทพบระบุอีกตัวหนึ่งกำลังสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อยู่ปรากฏว่าเทพทิดาเป็นบริวาร จุติรวดเดียวตั้งห้าร้อยแทนที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือเกิดเป็นเทวดาต่อไปกลายเป็นตกนรกท่านเล็งเห็นด้วยทิพเนรแล้วก็ตกใจหวาดวันพิจารณาดูตัวเองก็เห็นว่าจวนจะสิ้นอายุแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเกิดมนณาภัยคุกคามคือหวาดกลัวต่อความตายเช่นนี้สิ่งที่จะคิดถึงคราวแรกก็คือพระพุทธเจ้า ฟังพระธรร ม, มเทศนาตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้เพื่อให้ถ่ายถอนบรรเทาความโศก ค, ความยึดติดในอารมณ์ต่างๆให้พยายามปรับใจยอมรับถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายและทรงแสดงหลักของธรรมะว่าพระองค์เองก็ไม่พิจารณาสิ่งอื่นที่จะเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องสกัดกัน้น พยัตอันตรายต่างๆเหล่านั้นได้นอกจากธรรมะและธรรมะที่ทรงชี้ในที่นั้นในกรณีนั้นก็คือหลักของความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะและความเพียรพยายามที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติรธรรมโดยใสยสติสัมปชัญญะเป็นตัวนำความเพียความเพียรพยายามเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อท่านได้ พิจารณาและปฏิบัติตามไปตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้สามารถบรรเทาความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสลงไปได้ทำที่ปัสมบัติของตนให้มีความมั่นคงอยู่ได้ดังนั้นปัญหาที่จะต้องพินิจพิจารณามากก็คือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ในการใช้จเจริญหลักของสติปัญฐานในสูตรนั้น จริงๆแล้วทรงสแสดงเครื่องมือไว้สามอย่างเท่านั้นคือสติสมัมปชัญญะและความเพียรอย่างที่กล่าวแล้วแต่ปริมาณของธรรมะความเข้มข้นของธรรมะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอย่างสาคัญครนี้ไม่ต้องดูอื่นใครดูในหลักของอิทธิบาททั้งสีประการที่ทรงสแสดงไว้ว่าเป็นหนทางที่จะทำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ต้องประส์ ประสงค์อะไรนั้นไม่สำคัญปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ามีฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลถ้าความพอใจสูงความเพียรก็ต้องสูงถ้าความพอใจต่ำความเพียรพยายามก็ต่าถ้าขาดความพอใจก็ขาดความเพียรพยายามนี่เป็นปัจจัยที่หนุนกัน แต่ถ้าหากว่าสูงด้วยกันทั้งสองฝ่ายเริ่มที่ความพอใจสูงความเพียรก็สูงเมื่อความเพียรสูงความใส่ใจก็สูงความใส่ใจสูงการใช้ปัญญาขบเจาะวิเคราะห์สอดส่องตรวจสอบสิ่งต่างๆก็สูงแล้วก็กลับไปเพิ่มความเข้มข้นตอนที่ความพอใจอีกก็หมุนกันหนุนกันอยู่อย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งธรรมะทั้งสี่ประการเข้าถึงความสมบูรณ์ ว, ว่าในการศึกษาเล่าเรียน ในการปฏิบัติภารากิ จ, จการงานในการเจริญสมณธรรมตลอดถึงการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคผลก็จะเกิดขึ้นตามสั ด, ส, ดส่วนของความเข้มข้นแห่งธรรมแห่งองค์ธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ละข้อนั่นเองดังนั้นโอกาสที่จะบรรเทาความโศกความร่ําไรความทุกข์ความโทรมนัน้จึงขึ้นอยู่กับตัวเหตุดังกล่าว ละเอตุดคือการเข้าถึงธรรมะมีปริมาณสูงแล้วสามารถที่จะอยู่ในถ้ำกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกโดยตนเองไม่ต้องโศกด้วยเพราะอะไรเพราะปล่อยความยึดความถือได้คนนี้พึงดูตัวอย่างเช่นมีข่าวคราวบางเรื่องมีการล้มหายมีการพลัดพรากกันเป็นจำนวนมากญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นตกอยู่ในความโศก แต่ว่าเรากลับรู้สึกเฉยๆธรรมดาถ้าจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะความยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นพวกเราเป็นญาติเราเพื่อนเราเป็นต้นนั้นไม่มีถ้าวันไหนเกิดไปผูกพันเข้าอเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับสิ่งที่ใจไปผูกกของเราเข้าความโศกก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคนทั้งหลายที่สูกนั่นเองแต่ถ้าหากว่าใจปรับยอมรับความจริงตามที่ทรงแสดงไว้ แม้สิ่งของบุคคลนั้นจะเคยยึดถือว่าเป็นของเราแต่เมื่อแตกดับไปเพราะเหตุปัจจัยตามธรรมดาแห่งสังขารทั้งหลายที่ใครไม่สามารถป้องกันด้านฐานได้ธรรมะที่มีอยู่ภายในใจนั้นเองจะช่วยบรรเทาระงับยับยังความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสให้บรรเทาเบาบางลงไปได้จนถึงกับไม่เกิดในที่สุดท้งนี้ทางนั้นก็ต้องอาศัย การประกอบเหตุตามที่ทรงแสดงไว้เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่สุดต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป